สิขาบทที่6เรื่องพระชัพพคี643สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัตถีครั้งนั้นผู้ พ, พิสุจนัพพคีแสดงธรรมแก่คนผู้พวกศีสะพระบัญญัติ 6. พึงททำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้พวกศีสะเรื่องพระชัพคีจบ สิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าผู้พอกศีรษะคือพันุ์ไม่ให้เห็นปลายผมภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้พอกศีรษะภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้พอกศีรษะต้องอาบัติทุกข์กดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. นภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติสาภิกษุผู้ไม่รู้สี 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ห้ภิกษุ ให้เขาเปิดปลายมวยผมแล้วจึงแสดงหภพิษุูผู้มีเหตุขัดข้องเจิดพิษุวิกลจริต 8. ปดพิษุูต้นบัญญัติสิกธาบทที่ 6. จบ